หูศักดิ์สิสทธิ์พราะจิตมั่นคงท่านยังเล่าให้พ่อฟังต่อไปว่าผู้ที่ชำนาญการวาดหูลงเลขลงยันได้กล่าวไว้ว่าหากมนุษย์ไม่รู้วิธีวาดหูได้ถูกต้องแล้วจะถูกผีสางเทวดาหัวร้อยย่อเอาได้เพราะฉะนั้นการวาดหูก็ต้องหัดไวให้เป็น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 ก็ต้องเขียนให้จบกระบวนการโดยไม่หยุดชะงักไม่ต่อเติมไม่ยกผู้กันขึ้นต้องวาดให้ต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันจิตเป็นเอกัคตาตลอดแนวทางที่ผู้กันตวัดไปมาหูนี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะอธิษฐานใดๆต่อฟ้าดินก็จะสำฤทธิผลอย่างแน่นอนและรวดเร็วผู้ที่มีกิเลสทุรีหนาแน่ในในใจเหมือนตกอยู่ในความมืด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 เมื่อใดเมื่อนั้นการบริกรรมก็ศักสิทธิ์นักปราดท่านเมืองจือได้กล่าวไว้ว่าอันว่าอายุยืนหรืออายุสั้นหามีความแตกต่างกันไม่ให้มันฝึกฝนตนเองไปจนกว่าจะถึงวันนั้นวันนั้นคือวันที่เราจะได้พบความจริงว่าใดในโลกนี้หามีความแตกต่างกันไมมล้วนแต่เป็นสภาวธรรมที่มนุษย์สมมติกันขึ้นมา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 ท่านพูดไว้ไม่ผิดเลยทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นสภาวะธรรมหนึ่งเท่านั้นมนุษย์มักจัดเข้าพวกกันบ้างแยกประเภทให้บ้างจนดูสับสนสลับซับซ้อนไปหมดธรรมดาทาลกที่เกิดมาใหม่ๆนั้นหารู้ไม่ว่าอายุยืนนั้นมีความหมายอย่างไรกันต่อเมื่อเติบโตแล้วจึงสามารถแยกแยะความหมายเลือกคุณค่าของสรรพสิ่งโดยคาสอนของผู้ใหญ่บ้าง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 แม่อายุสั้นอายุยาวก็เช่นกันถ้าเราไม่เชื่อวัชตาชีวิตได้ลิขิตมาให้เรามีอายุสั้นเราก็ไม่พวองถึงความตายตั้งหน้าประกอบกรรมดีไม่ใช่อยู่รอความตายไปวันวันหนึ่งผู้ที่ไม่เชื่อวัชตาชีวิตได้ลิขิตมาให้อายุยืนก็จะไม่ทะนงตนว่ายังมีชีวิตอยู่อีกยาวนานเกิดความประมาทเกียรติค้านที่จะประกอบกรรมดีผัดวันประกันพุ่งเดื่มสุราหานารีเล่นภาชีกีฬาบัตร เผาผ่านชีวิตไปทุกวันทุกวันอายุจักยืนนานไปได้อย่างไรความเกิดความตายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วไซส์เราจะเกิดในสภาวะธรรมใดก็ตามย่อมจักดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจที่ปราศจากความกดดันรู้จักดำรงชีวิตด้วยดีตายดีและไปเกิดในสภาวะธรรมที่ดีต่อไปทาไมหรือ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 ขอให้มันบริกรรมอย่าได้หยุดยั้งจะขาดการสืบต่อเมื่อบริกรรมจนเกิดความชำนาญแล้วก็จะกลายเป็นนิสัยไม่ว่าปากจะบริกรรมหรือไม่จิตก็จะทำไปเองโดยอัตโนมัติเป็นจิตดิ่งเป็นเอ ก, กคัตตาแล้วไซย่อมรวมมนคาถาที่บริกรรมตัวคนบริกรรมและจิตที่บริกรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกออกจากกันเมื่อนั้นการบริกรรมก็จะประสบความสาเร็จทันที อธิษฐานไว้เช่นใดก็จะสมปรารถนาเช่นนั้น